วันนี้พวกเราก็ได้มาที่วัดกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่มีความรู้ที่พวกเราไม่รู้กันเป็นความรู้ที่เราไม่สามารถหาจากที่ไหนได้เพราะเป็นความรู้ที่ จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีอยู่ภายในใจของพวกเราให้หมดไปได้ความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นแขนงไหนสาสตร์ไหนก็ตามไม่มีไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ใจได้ต้องเป็นคําสอนเลือก ความรู้ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นและผู้ที่จะรู้รือจะสอนความรู้อันนี้ได้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนนี้พระพุทธเจ้าก็ได้จเจตัจ ด, ดับขันธ์บารินิพานไปแล้วแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังศึกษาได้อยู่ยังฟังได้อยู่ และพาาระอรหันตสาวกหรือพาาระอริยสงสาวกทั้งหลายก็ยังมีอยู่เป็นผู้ที่รู้ความจริงและสามารถเอาความจริงเหล่านี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเราได้พราะทำคำสอนนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า ธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาตราบใดที่มีธรรมวินัยคือธรรมสอนคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสวากขาโตภะวตาธรโมคําสอนนี้เป็นคําสอนที่เรียกว่าอมตะ คือว่าไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดอายุเพียงแต่ว่าอาจจะขาดตอนหรือหายไปถ้าไม่มีใครสืบทอดไม่มีใครศึกษาไม่มีใครปฏิบัติไม่มีใครบรรลุธรรมเพราะผู้ที่จะยังทำอันประเสริฐนี้ให้คงอยู่กับโลกนี้ได้ ต้องเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆบุคคลเหล่านี้แหละเป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมคำสอนผู้ใด เห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนั่นคือคำตรัสของพระพุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้เห็นตถาคตก็คือผู้เห็นธรรมตอนนี้เรายังมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกที่จะมาให้ความรู้กับพวกเรา เพื่อที่เราจะได้ใช้ความรู้นี้มาดับความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราให้หมดไปได้เราจึงขวนขวายเข้าหาผู้รู้กันหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนและไม่มีวันที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง เพื่อที่เราจะได้นำเอาความรู้นี้มาปฏิบัติกับกายวาจาใจของเราแล้วความรู้นี้ก็จะดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการกระทำของเราทางกายทางวาจาใจนี้เความทุกข์ทั้งหมดนี้มีต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความหลงหรือความไม่รู้ อวิชชาไม่รู้อะไรไม่รู้ความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายไม่รู้ความจริงของสิ่งต่างๆของบุคคลต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้มาเกี่ยวข้องด้วยว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสิ่งทุกอย่างทุกสัตว์ทุกบุคคล เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงไม่ถาวรชั่วคราวสิ่งใดก็ตามที่ไม่เที่ยงไม่ถาวรที่เป็นสิ่งชั่วคราวเวลาที่เราไปยึดไปติดไปรักไปชอบไปพึ่งให้ความสุขกับเรา เวลาเขาเสื่อมเวลาเขาจากไปเวลานั้นเราจะไม่มีที่พึ่งเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันไม่รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่ที่เราเอาศัยอยู่ใช้เป็นเครื่องให้ความสุขกับเราอยู่ทุกวันนี้เป็นอนิจจัง คือไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการเสื่อมไปและหมดไปในที่สุดเราจึงมักจะต้องเกิดความทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราไม่อยากจะขาดที่พึ่งพอเราไม่มีสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเราก็ไม่รู้ว่าจะหาความสุขจากที่ไหน เราก็เลยเกิดความทุกข์ใจเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาและสิ่งต่างๆที่เราพึ่งที่เราอาศัยอยู่นี้เราก็ไม่สามารถที่จะให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปเขามีสภาพที่มีการเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆมีขึ้นมีลงเราอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ บางทีก็เป็นได้แต่บางทีก็เป็นไม่ได้พอเป็นไม่ได้เราก็จะเสียใจทุกใจนี่คือคุณสมบัติสามประการของสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ร mm hmm. วมไปทั้งสัตว์และบุคคลทั้งหลายถ้าเรายังไปมีความผูกพันมีความต้องการให้เขาอยู่ไป นานๆเป็นของเราไปนานๆไม่จากเราไปไม่เปลี่ยนไปให้เขาให้แต่ความสุขกับเราเวลาเขาเปลี่ยนไปเขาไม่ได้ความสุขกับเราเราก็จะเกิดความทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่เราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะไม่ได้ยิน เรื่องปลายรักนี้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแลวเราจะไม่รู้วิธีที่เราจะทำอย่างไรถึงทำให้เราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้การที่เราจะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ต้องไม่อาศสยสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราไม่มีความสุข เราก็ไม่รู้ว่าเราจะหาความสุขจากอะไรเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งเหน่านี้ให้ความสุขกับเราถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราวก็ดีกว่าไม่มีความสุขเลยนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเรามีความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถผลิตขึ้นมาได้สร้างขึ้นมาได้ และเป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆและเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดเป็นความสุขที่ถาวรถ้าเรารู้จักวิธีสร้าง ว, วิธีรักษาความสุขนี้ก็จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับสิ่งต่างๆ ที่เราเคยอาศัยเป็นที่พึ่งเราก็จะไม่เดือดร้อนเขาจะมาเขาจะไปเขาจะเกิดหรือเขาจะดับเขาจะเจริญหรือเขาจะเสือ่อมจะไม่ทำให้เราเดือดร้อนอีกต่อไปพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเรามาหาความสุขแบบดีกันความสุขภายในใจ ความสุขที่เกิดจากการทําใจให้สงบเวลาใจสงบต่อจากความคิดความอยากต่างๆใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอการที่เราจะทําใจของเราให้อิ่มให้สุขให้พอได้เราต้องทาตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทา ม, มา เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์วิธีสร้างความสุขนี้ขึ้นมาแล้วแล้วจึงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงนี้และจะได้ปล่อยวางไม่ยึดไม่ติด ไม่ต้องอาศัยสิ่งต่างๆที่เคยอาศัยอยู่เพราะว่ามันเป็นความสุขปลอมมันเป็นความสุขที่จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาเวลาที่ความสุขเหล่านี้หมดไปเปลี่ยนไปดังนั้นเราจึงต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมคาสอนเชื่อพระอริยสงสาก เชื่อวิธีการปฏิบัติของท่านว่าเป็นวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรต่อไปความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้รับเราก็ได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าเป็นปรมังสุ ข, ขังนิบานังปรมังสุ ข, ขัง นิบานนิพพานเป็นบร ม, มสุขคำว่านิพพานนี่คืออะไรคำว่านิพพานนี้ก็คือจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงปราศจากความอยากต่างๆที่เป็นเหตุที่ทําให้จิตใจหิวอยากไม่อิ่มไม่พอไม่ว่าจะได้มามากน้อยเพียงไร ความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆจะไม่หมดไปมีแต่จะมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเราสามารถเห็นดูได้จากคนต่างๆที่เขามีความโลภความอยากกันแทนที่เขามีมากแล้วเขาจะมีความอิ่มมีความพอแต่กับเขากับทำให้เขามีความอยาก เพิ่มมากขึ้นไปเขาจึงมีสมบัติกันมากมายจนกระทั่งใช้กันไม่หวาดไม่ไหวใช้ไปอีกสิบชาติร้อยชาติก็ใช้ไม่หมดแต่เขาก็ยังมีความอยากอยู่นั้นนั่นก็เพราะว่าการที่เราทำตามความอยากนี้เท่ากับเป็นการส่งเสริมความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมความโลภความโกรธความหลงให้มีเพิ่มมากขึ้นและผลที่เกิดจากการมีความโลภความโกรธความหลงความอยากเพิ่มมากขึ้นก็คือมีความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่มีความทุกข์ใจน้อยลงไปถ้ามองแบบคนที่ไม่มี ความรู้อะไรมากก็จะคิดว่ามีเงินทองมากมันต้องมีความสุขมากเพราะต้องการอะไรก็สามารถซื้อมาได้แต่เขามองไม่เห็นส่วนที่มีอยู่ภายในใจของคนส่วนนั้นก็คือความทุกข์ใจเงินทองสามารถซื้อความสุขทางร่างกายได้เช่นเราต้องการบ้าน เราก็ซื้อบ้านได้ต้องการอาหารก็ซื้ออาหารมารับประทานได้ต้องการเสื้อผ้าก็ซื้อมาสวมใส่ต้องการยารักษาโรคก็ซื้อมารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้แต่เงินทองนี้ไม่สามารถที่จะมารักษาความทุกข์ใจได้กลับเป็นตัวที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจเพิ่มมากขึ้นเพราะ ทำให้ใจอยากมีมากขึ้นและอยากจะเก็บไว้นานๆเมื่อมีความอยากแล้วความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่พวกเราหลงกันไปเห็นว่าเป็นสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราเราจึงเสียเวลากับการหา ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองหาความสุขผ่านทางร่างกายที่เป็นความสุขชั่วคราวเป็นอ น, นิจจงเราไม่เห็นตรงนี้เราไม่เห็นว่ามันเป็นอ น, นิจจงหามาได้เท่าไหร่ก็หมดไปหมดไปแล้วก็ต้องหามาใหม่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆพอไม่สามารถที่จะเติมได้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เราจึงต้องมาศึกษามาพบกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาศึกษาแนวทางที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสารวกทั้งหลายท่านได้ดำเนินท่านได้ปฏิบัติกันว่าทําอย่างไรจรึงได้ความสุขเหมือนกับที่ท่านได้รับกันท่านได้รับปรมังสุขขังกันแต่พวกเรากลับได้รับปรามังทุกขขังกัน ยิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเพราะมีความอยากมากขึ้นไปตามลำดับเราก็เลยต้องมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พวกเราทำทานรักษาศีลภาวนากันเพราะการกระทาทั้งสามประการนี้ จะทำให้ใจมีความสุขเพิ่มมากขึ้นทำให้ความอยากความโลภความโกรธความหลงมีน้อยลงไปทำให้มีความทุกข์น้อยลงไปความทุกข์กับความสุขในใจนี้มันเป็นเหมือนกับคู่แข่งกันถ้ามีความทุกข์มากความสุขก็จะมีน้อยถ้ามีความสุขมากความทุกข์ก็จะมีน้อย ถ้า ม, มีความไม่มีความทุกข์ภายในใจเลยก็จะมีความสุขเต็มเตี่ยมอยู่ภายในหัวใจดังนั้นวิธีการที่พระเจ้าทรงปฏิบัตินี้เป็นวิธีการที่ถูกต้องและได้รับการยืนยันจากพระองค์เองพระองค์ได้สัมผัสกับความสุขอันนี้เองแล้วหลังจากที่นำเอามาเผยแผ่สั่งสอน ก็ได้รับการยืนยันจากพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายผู้ที่ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติและได้สัมผัสกับความสุขที่แท้จริงนี้พวกเราจึงไม่ต้องลังเลสงสัยพวกเราเคยผ่านเคยเพึ่งสิ่งต่างๆมามากมายแล้วตั้งแต่เกิดมานี้ ก่อนที่เราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็ต้องพึ่งลาบยศสรรเสริญพึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพระเพื่อให้ความสุขกับเราเราพึ่งมานานแล้วแต่ความทุกข์ของเราเคยหมดไปหรือไม่ความสุขที่เราได้จากสิ่งเหล่านี้อยู่กับเราไปอย่างถาวรหรือไม่เราควรที่จะเห็นแล้วว่ามันเป็นอนิจจงมันเป็นทุกข มันเป็นอนัตตามันไม่ใช่เป็นของเราเราจึงควรที่มาหาความสุขที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาดีกว่าความสุขที่ถาวรความสุขที่แท้จริงความสุขที่เป็นของเราที่จะไม่จากเราไปก็คือความสุขใจนี้เองความสุขใจที่เกิดจากการทำใจให้สงบ การที่เราจะทำใจให้สงบได้เราก็ต้องปฏิบัติสามขั้นตอนนี้ขั้นที่หนึ่งเรียกว่าทานคือการเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจากน้อยไปถึงถึงมากคือเริ่มต้นเรายังอาจจะมีความจำเป็นที่ยังต้องใช้เงินทองอยู่เราก็จะแบ่งมาทำบุญทำทานได้บางส่วน แต่ถ้าเราทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะเห็นว่าการทําทานนี้ทําให้เรามีความสุขใจเราก็จะอยากจะทําเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราทําทานได้ก็จะทําให้เรารักษาศีลได้เรารักษาดีศรรักษาศีลได้เราก็จะภาวนาได้พอเราได้ทําทั้งสามส่วนควบคู่กันไป ตามกำลังของเราจากน้อยไปหามากเราก็จะเริ่มได้รับสัมผัสกับความสุขของใจขึ้นมาที่เราเล็กที่เน้อยและเมื่อเราได้สัมผัสมากขึ้นมากขึ้นเราก็อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นไปทานเราก็อยากจะทำมากขึ้นศีลเราก็อยากจะรักษาให้มากขึ้นภาวนาเราก็อยากจะทำให้มากขึ้น เมื่อถึงจุดที่เราเห็นว่าความสุขที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของเราและเราสามารถเป็นผู้สร้างขึ้นมาได้และสามารถรักษาความสุขนี้ไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดเราก็จะทําอย่างเต็มที่เราก็จะทําทานอย่างเต็มที่มีสมบัติเข้าของเงินทองมากน้อยเพียงไรมีฐานะ ยศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งขนาดไหนมีคนยกย่องสรรเสริญเยืนยอมากน้อยเพียงไรก็จะสละสิ่งเหล่านั้นไปหมดเพื่อที่จะได้มีเวลามาทุ่มเทให้กับการรักษาศีลให้ได้เต็มร้อยและบำเพ็ญจิตตภวนาให้ได้เต็มร้อยเราต้องเต็มร้อยที่ทานก่อน เมื่อเต็มร้อยที่ทานแล้วก็จะเต็มร้อยที่ศีลได้เมื่อเต็มร้อยที่ศีลได้เราก็จะเต็มร้อยที่ภาวนาได้พอภาวนาเราเต็มร้อยความสุขภายในใจก็จะเต็มร้อยเป็นปรมังสุขขังขึ้นมาอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติได้ทรงบาเพ็ญพระพุทธเจ้าทรงทําทานอย่างเต็มร้อย ด้วยการสละพระราชสมบัติแล้วก็ออกบวชบําเพ็ญเป็นนักบวชอยู่แบบนักบวชรักษาศีลอย่างเต็มร้อยแล้วก็มีเวลาบําเพ็ญจิตธรรวนาอย่างเต็มร้อยสมถะภาวนาในเบื้องต้นตามด้วยวิปัสสนาภาวนาพอได้ปฏิบัติเต็มร้อยความสุข ที่เกิดจากความสงบภายในใจก็จะเต็มร้อยและก็จะอยู่อย่างถาวรนี่คือผลที่พระพุทธเจ้าได้ส่งได้รับจากการทำทานเต็มร้อยจากการรักษาศีลเต็มร้อยจากการภาวนาเต็มร้อยเพราะการกระทําทั้งสามนี้เป็นเหตุถ้าเหตุเต็มร้อยผลก็จะเต็มร้อย ถ้าเหตุห้าสิบผลก็จะห้าสิบไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนแปลงกฎของความจริงนี่ได้กฎของเหตุของผลนี่ได้ถ้าเราอยากจะได้ความสุขเต็มร้อยมีความทุกข์เหลืออยู่ที่ศูนย์เราก็ต้องกล้าที่จะทําทานเต็มร้อยกล้าที่จะรักษาศีลเต็มร้อย กล้าที่จะภาวนาเต็มร้อยแล้วผลก็จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติก็ได้ผลเต็มร้อยเหมือนกันพระอรหันตสาวกทั้งหลายตั้งแต่ในยุคอดีตในสมัยพุทธกาลมาจนถึงปัจจุบันนี้พระอรหันตสาวกทุกรูปี้ ท่านทำทานเต็มร้อยกันทุกรูปท่านมีมากมีน้อยท่านสละท่านไม่เอาท่านจะเอาเวลาไปบวชไปรักษาศีลไปภาวนากันแล้วท่านก็ได้ความสุขเต็มร้อยได้ประมังสุขขังกันเวลาที่ท่านตายไปกระดูกของท่านบางส่วนก็กลายเป็นพระธาตุถ้าเป็น คนธรรมดาเวลาตายไปกระดูกก็จะผุเปื่อยผุแล้วก็กลายเป็นดินไปนี่แหละคือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้ความสุขเต็มร้อยและเราจะดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปและเราจะตัดภพตัดชาต ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาพักพลากจากสิ่งนั้นสิ่งนี้บุคคลนั้นบุคคล น, นี้หรือมาประสบพบกับสิ่งที่เราไม่อยากจะพบไม่ไม่อยากจะเจอแต่ถ้ามีการเกิดแล้วสิ่งเหล่านี้จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทุกจึงมีแต่ผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นผู้ที่จะไม่เกิดก็ต้องมีความสุขเต็มร้อยถึงจะไม่กลับมาเกิดถ้ายังมีความสุขไม่เต็มร้อยก็ยังจะมีความอยากที่จะหาความสุขจากการกลับมาเกิดนี่อยู่เช่นพระโสดาบันถึงแม้ว่าท่านจะได้ความสุขภายในใจบางส่วนแต่ยังไม่ ได้เต็มร้อยท่านยังมีความอยากจะได้ความสุขจากร่างกายของผู้อื่นอยู่ท่านยังอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยู่ถ้าท่านตายไปก่อนที่ท่านจะสามารถตัดความอยากมีสามีอยากมีภรรยาอยากมีความสุขกับการดูการฟังการดื่มการรับประทานอยู่เวลาตายไปแล้วใจของท่านยังต้องกลับมาเกิดใหม่ อย่างน้อยก็ต้องอย่างมากก็ต้องเจ็บชาด้วยกันเป็นอย่างมากจนกว่าท่านจะสามารถทำลายความอยากที่จะหาความสุขกับบุคคลอื่นได้เมื่อท่านตัดได้แล้วท่านก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่ก็ยังต้องไปเกิดบนสวรรค์ชั้นพรหม เพราะภายในใจของท่านก็ยังมีความอยากอยากมีความสุขกับจิตใจของตนเองที่ยังมีการแลกวนมีการเจริญมีการเสื่อมอยู่ยังมีอัตตาตัวตนอยู่ในนั้นยังมีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้สัมผัสผู้เสกความสุขและความทุกข์ที่ยังมีอยู่ภายในใจนั้น แต่เมื่อได้ปฏิบัติตัดความหลงตัดความอยากต่างๆที่ยังมีเหลืออยู่ภายในจิตในใจไปหมดได้ใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาความโลภความอยากความหลงต่างๆก็จะหมดไปใจก็จะสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ภายในหัวใจที่ถาวร เป็นความสุขที่ไม่เจริญไม่เสื่อมมีอยู่เต็มที่อยู่ตลอดเวลาพอได้เจริญอย่างเต็มที่แล้วและไม่มีวันเสื่อมหมดไปเมื่อถึงจุดนั้นแล้วจิตของท่านก็จะไม่มีการกลับมาเกิดในวะะัฏฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพตายภพก็คือกามาพบรูปภพและอรูปภพ ที่เป็นที่เกิดของผู้ที่ยังมีความอยากอยู่ยังมีภาวะตันหายังมีการมาทันหาวิภาวะตันหาอยู่ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องศึกษาก่อนเบื้องต้นต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรกันบ้าง เมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่มีการเสื่อมคุณภาพคุณภาพคือก า, การปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะยังผลให้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นยุคที่มีพระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่เป็นผู้สั่งสอนเองหรือเป็นในยุคปัจจุบันที่ไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วแต่มีองค์แทนของพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนที่พระสาวกทั้งหลายได้นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าถ้าผู้ศึกษาได้เอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผลจะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนผลจะไม่เกิดขึ้นมาเองผลจะไม่เกิดจากการเพียงแต่ได้ศึกษาเพียงอย่างเดียวอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายก็มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษารู้ว่าต้องปฏิบัติอะไรกันแต่ถ้าท่านไม่นำเอาไปปฏิบัติผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมา เหมือนกับไปหาหมอแล้วหมอให้ยามาหมอบอกว่าเอายานี้ไปรับประทานวันระกษามือ้อและก่อนนอนถ้าเรารับยามาแล้วเราไม่นำยามารับประทานยาไม่เข้าไปในร่างกายยาก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายให้หายไปได้ ยาจะวิเศษขนาดไหนมีราคาแพงขนาดไหนก็ตามสามารถรักษาคนป่วยให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บมานับเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามแต่ถ้าเราไม่นำยานี้เข้ามาสู่ร่างกายของเรายานี้ก็จะไม่สามารถทำหน้าที่รักษาร่างกายของเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ ฉัน้นใดก็ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นถ้าเราได้รับคำสั่งคำสอนมาแล้วว่าให้ทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาให้ทำอย่างเต็มร้อยไม่ใช่ให้ทาเพียงร้อยละสิ์ถ้าเราทําเพียงร้อยละสิบผลก็จะได้เพียงร้อยละสิบโลกของใจก็คือความทุกข์ใจ ก็จะหายไปเพียงร้อยละสิเท่านัน้นยังเหลืออีกร้อยละเก้าสิบถ้าเราอยากจะให้โรคของใจนี้หายอย่างปิดทิ้งเราก็ต้องกินยาของพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่ตามที่ทรงสั่งสอนให้ให้กระทำให้กินก็คือให้ทําทานให้เต็มร้อยให้ได้ให้รักษาศีลให้เต็มร้อย ให้ภาวนาให้เต็มร้อยถ้ายังไม่ถึงขั้นนั้นผลก็ยังไม่เต็มร้อยอาจจะได้ขั้นของพระโสดาบันหรือขั้นของพระสกิรดาคามีขั้นของพระอนาคามีแต่ถ้ายังไม่เต็มร้อยนี่ก็ยังจะไม่ได้ผลของพาอาระอรหันต์เฉั้นทั้งหมดนี้ก็อยู่ที่การปฏิบัติของเรา หลังจากที่เราได้ศึกษาแล้วเราก็ต้องน้อมเอาไปปฏิบัติแล้วเราก็ศึกษาอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการปฏิบัติอย่าแยกการศึกษาออกจากการปฏิบัติที่เป็นเหมือนกันที่เป็นเหมือนอยู่ที่เป็นอยู่ในสมัยนี้สมัยนี้มักจะแยกการศึกษาออกจากการปฏิบัติศึกษาอย่างเดียวศึกษาถึงระดับป ร, ริญญาเก้า รู้พระไตยปิฎกรู้ภาษาบาลีแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยอย่างนี้ผลก็จะไม่เกิดขึ้นผลก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นแล้วความรู้ที่เรียนมาก็จะหนักสมองไปเปล่าเปล่าเพราะเป็นความจำไม่ใช่เป็นความจริงไม่สามารถนำเอามากำจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆ ที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ความทุกข์ต่างๆก็จะไม่สามารถหมดไปได้แต่ถ้าเราศึกษาเพียงเล็กน้อยพอรู้ว่าเราต้องทำอะไรในเบื้องต้นแล้วก็ทำกันไปเลยทำไปแล้วเราก็ศึกษาต่อไปเรื่อยๆศึกษารายละเอียดที่มีมากขึ้นไปเรื่อยๆที่เราจะต้องรู้ขึ้นไปมากขึ้นไปเรื่อยๆ ศึกษาไปปฏิบัติไปทำไปแล้วผลก็เกิดขึ้นมาตามลาดับแล้วผลที่เราได้รับนี่แหละจะเป็นตัวที่จะผลักดันให้เรามีกำลังจิตกาลังใจที่จะปฏิบัติเพิ่มให้มากขึ้นตอนต้นเราเริ่มจากร้อยละสิบเราก็จะได้ผลร้อยละสิบพอเราได้ผลร้อยละสิบเราก็จะมีกำลังใจเพิ่มขึ้นมาอีก ม า, Humans า ม, ม, มากกว่าตอนที่เราเริ่มต้นตอนที่เราไม่มีผลเลยตอนที่เราไม่มีผลเรามีแต่ศรัทธาความเชื่อเท่านั้นถ้าเรามีศร pa ัทธาความเชื่อแล้วเราปฏิบัติไปแล้วไม่ได้ผลศรัทธาความเชื่อนี้ก็อาจจะหมดไปได้แล้วเราก็จะเลิกปฏิบัติได้แต่ถ้าเราปฏิบัติเรามีความเชื่อแล้วเรานำไปปฏิบัติแล้วได้ผลจากการปฏิบัติ มันก็จะทำให้ความเชื่อของเราจัทชาของเรามีกำลังเพิ่มมากขึ้นจะทำให้เราอยากจะทำเพิ่มมากขึ้นทำทานให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้นเพราะเห็นแล้วว่าทำให้เกิดผลมากขึ้นมาตามลำดำับแล้วต่อไปผลการภาวนาการรักษาศีลการทำทานก็จะเพิ่มขึ้นไปตามลำดำับ จะในที่สุดก็จะเพิ่มเต็มร้อยแล้วผลก็จะปรากฏเต็มร้อยขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะผลเป็นสิ่งที่ตามตา ม, มาจากเหตุเหมือนกับชาวนาชาวไร่ที่เก็บเกี่ยวผลของเขาพืชผลของเขาเพราะเกิดจากการที่เขามีการเพาะปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆปลูกต้นต้นไม้ต้นข้าวพอถึงเวลา ที่ต้นไม้ต้นข้าวจะออกดอกออกผลเขาก็จะออกดอกขึ้นมาถ้าไม่มีการปลูกต้นไม้ต้นข้าวรอไปเป็นร้อยปีพันปีก็จะไม่มีผลปรากฏขึ้นมาต้องเกิดจากการปลูกต้นข้าวต้นไม้ที่เป็นเหตุที่จะทำให้เกิดผลไม้ต่างๆขึ้นมามรรคผลนิพพานก็เป็นผลไม้ ที่จะเกิดจากการปฏิบัติที่จะเกิดจากการศึกษาเพราะถ้าไม่ศึกษาก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบั awesome. ติที่ถูกต้องก็อาจจะปฏิบัติไม่ถูกก็ได้ปฏิบัติไม่ถูกผลก็จะไม่เกิดขึ้นมาเองเช่นกันเหมือนกับการที่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติหรือไม่ได้หรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะไม่ได้ผลเหมือนกันดังนั้นก่อนที่เราจะปฏิบัติเราถึงต้องศึกษาให้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องก่อนเมื่อเรารู้จากวิธีแล้วเราก็นำไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วยังไม่เกิดผลขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาศึกษาใหม่ดูว่าเราทำอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่ถูกตรงไหนถ้ามีครูบาอาจารย์ผู้ที่ได้ รับผลมาแล้วจากการปฏิบัติก็สามารถที่จะสอบถามศึกษาจากท่านได้โดยตรงเพราะว่าถ้าไปเล่าอะไรให้ท่านฟังแล้วท่านก็จะสามารถบอกเราได้ว่าเราทำถิดหรือทำถูกอย่างไรหรือเราทำมากหรือทำน้อยอย่างไรบางทีเราอาจจะทำถูกแต่เราทำน้อยผลก็ยังไม่เกิดขึ้นมานี่คือเรื่องของการศึกษา ที่จำเป็นจะต้องมีแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาศึกษาที่ศึกษาเพื่อให้รู้จักวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วนำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องถึงจะทำให้เกิดผลต่างๆขึ้นมาเกิดมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งขึ้นมานี่คือเรื่องของการเข้ามหาพระพุทธพธรรมพระสงฆ์เพื่อที่เราจะได้มาศึกษา วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอาไปปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วผลที่เราปรารถนากันก็จะเกิดตามขึ้นมาอย่างแน่นอนก็คือความทุกข์ต่างๆภายในใจของเราจะหมดไปจะมีแต่ความสุขเต็มเปีเป่ยมอยู่ภายในหัวใจไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเจงขอฝาก เรื่องของการมาศึกษามาปฏิบัติทมของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพีิรพิจารณาและปฏิบัติเพื่อผลที่เลือดที่วิเศษที่พระพุทธเจ้าและพระอาลหลันตัสาวกทั้งหลายได้รับที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้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 มณิโชติระโสยถาสภิติโยวิวาจันตุสัพรโรโววินาศตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะพิวาธนสีลิสานิจังวุทาปจายโนจตารโอธรรมวะทานติอายุวนโสุขัง ข้อต่อไปนี้ก็จะได้เป็นการถามตอบ ป, ปัญหาธรรมท่านผู้ใดอยากจะถามคำถามก็ขอเชิญเข้ามาถามได้โดยขอให้ถามผ่านทางไมโครโฟนเพื่อผู้ฟังจะได้ยินคำถามและคำตอบถ้าไม่มีใครถามก็จะให้ทางอินเทอร์เน็ตถามก่อน ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณธนพรคุณทรัพย์กราบนมัสการท่านพระอาจารย์ถึงวิธีการอดอาหารค่ะว่าอดแต่เฉพาะอาหารใช่ไหมคะน้ำเราอดด้วยไหมหรือดื่มได้แต่เฉพาะน้ำเปล่าแต่ให้งดพวกน้ำหวานด้วยใช่ไหมคะตั้งใจอยากจะลองเริ่มอดอาหารดูบ้างคะ่ะ คือการอดอาหารนี้เราก็สามารถกําหนดตามความต้องการของเราได้ว่าเราต้องการจะอดมากอดน้อยแต่เราต้องเข้าใจว่าการอดอาหารนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้เกิดผลจากการปฏิบัติเป็นเพียงแต่เป็นตัวเร่งถ้าบางทีมันไม่มีตัวเร่งมันก็จะไม่ได้ปฏิบัติ เพราะมันจะเจอปัญหาเช่นความง่วงนอนเวลาที่เรารับประทานอาหารตามปกตินี่เวลารับประทานเสร็จแล้วมันก็จะง่วงนอนจะไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติธรรมก็เลยต้องใช้มาตรการการอดอาหารซึ่งก็เริ่มต้นจากน้อยไปหามากก่อนก็ได้เช่นถ้าเรายังไม่เคยรักษาศีลแป พอเรารักษาศิ้นแปะนี่การรับประทานอาหารก็จะถูกควบคุมไว้ไม่ให้เกินหลังจากเที่งวันไปแล้วแล้วถ้าหลังจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องความเม่วงนอนความเกียจคร้านอยู่เราก็อาจจะผ่อนอาหารคือรับประทานเพียงประมาณครึ่งหนึ่งของที่เราเคยรับประทานก็พยายามลดลงไปเรื่อยๆตามความเหมาะสม เพราะว่าถ้าเราทำอะไรมากๆเกินกำลังของเรามันก็อาจจะเป็นผลเสียก็ได้ทำให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมจิตใจเพราะจิตจะคิดแต่เรื่องอาหารก็จะไม่สามารถที่จะทำใจให้สงบได้ส่วนของอย่างอื่นเช่นน้ำนี่ไม่มีไม่มีการห้ามน้ำนี้เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกับลมหายใจถ้าอด น้ำอดลมหายใจร่างกายก็จะต้องตายไปยาการดื่มน้ำนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่มีข้อห้ามดื่มได้ตลอดเวลาตามความต้องการของร่างกายถ้ามีความกระหายน้ำก็ดื่มน้ำได้แต่อย่าดื่มน้ำแทนอาหารเพื่อให้ท้องมันอิ่ม <c oughs> เดี๋ยวมันจะ <c oughs> ต้องฉี่บ่อย <c oughs> แล้วมันก็ไม่อิ่มที่มันหิวส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้หิวที่ ที่ร่างกายมันหิวที่ใจดังนั้นการที่เราอดอาหารนี่เพื่อที่จะให้เรามาภาวนามาให้อาหารกับใจถ้าเราทำใจให้สงบแล้วความหิวส่วนใหญ่จะหายไปความหิวส่วนใหญ่นี้เกิดที่ใจใจเราไปคิดถึงอาหารพอคิดถึงอาหารแล้วก็จะเกิดความหิวความอยากรับประทานขึ้นมา แต่ถ้าเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ไปคิดถึงอาหารได้ให้คิดอยู่กับบริกรรมพุทโธพุทโธไปใจก็เข้าสู่ความสงบพอสงบแล้วก็จะเกิดความอิ่มใจขึ้นมาความสุขใจที่มีน้ำหนักมากกว่าความหิวของทางร่างกายทำให้ความหิวของทางร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการภาวนา ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการอดอาหารก็มักจะใช้การอดอาหารนี้เป็นเครื่องเสริมในการปฏิบัติไปจนถึงขั้นที่ไม่ต้องใช้เมตาตรการอันนี้คือเมื่อจิตเริ่มหมุนไปเองจิตเริ่มเป็นอัตโนมัติมีสติปัญญาอัตโนมัติไม่ต้องคอยฉุดคอยลากคอยเข็นเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆจิตมันจะไม่ยอมไปทางนี้เราต้อง ชุดต้องลากมันมันก็พยายามที่จะสู้ต่อสู้กับเราเราก็เลยต้องลงโทษมันด้วยการไม่ให้มันกินอาหารเวลาไม่กินอาหารนี้จิตมันจะอ่อนมันจะไม่ดื้อมันว่านอนสอนง่ายบอกให้เดินจงกรมมันก็เดินบอกให้นั่งสมาธิก็นั่งบอกให้บริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะทําตามมันไม่ดื้อเหมือนกับเวลาที่มันกินกินเป็นปกติ เวลาอิ่มแล้วมันจะไม่ฟังใครแล้วมันจะหาหมอนอย่างเดียวเจะจะบอกให้มันเดินจงกรมมันก็ไม่เอาให้พูดโทรมันก็ไม่พูดนะมันจะเอาหมอนอย่างเดียวนี่ก็คือเอเรื่องของการอดอาหารแต่วดอาหารโดยไม่ไม่ปฏิบัติไม่เจริญสติไม่นั่งสมาธิเหมือนที่พระพุทธเจ้าทรงอดกายอาหารอยู่สี่สิบเก้าวัน ก็คิดว่าเป็นการฆ่าตันหากิเลสให้หมดไปจากใจด้วยการอดตะกายานแต่กิเลสตันหามันไม่ได้ตายไปด้วยการอดเฉยๆมันต้องมีมาตรการคือมีปัญญาต้องเห็นตาลรักเห็นเห็นความเห็นเห็นว่าสิ่งที่อยากได้ถ้ามันวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่สามารถให้ความสุขความอิ่มใจที่ถาวรได้ จะต้องมีความทุกข์ตามมาเสมอดัองนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้องหยุดการอดอาหารพอเห็นว่าถ้าหยุดต่อไปร่างกายก็จะต้องตายแน่ๆแต่กิเลสตัณหาไม่ได้ตายตามไปกับร่างกายจึงทรงกลับมาสวยพระกยายฐารเพื่อที่จะให้ร่างกายมีกําลังวังชาที่จะได้มาเจริญจิตตภาวนาเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนา ช่วงที่ทรงอดประกยอาหารนี่คิดว่าทรงมีสมถะภาวนาคือสามารถทำใจให้สงบได้เพราะไม่งั้นจะไม่มีกำลังที่จะอดได้ถึงสี่ถึงเก้าวันแต่สมถะภาวนานี้ไม่สามารถทำลายกิเลสตัณหาได้เพียงแตเ่เพียงแต่สั่งให้มันหยุดทำให้มันหยุดได้ชั่วคราวเวลาออกจากสมาธิมา ความตันหาความอยากก็จะหวนกับคืนมาแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะทำลายมันได้นอกจากวิปัสสนาภาวนาเท่านั้นแต่ตอนนั้นพระองค์ยังไม่รู้จักวิปัสสนาภาวนาเพราะเพียงศึกษามาได้แค่สมถภาวนาไม่มีใครรู้เรื่องของวิปัสสนาภาวนาว่าทำยังไง <c oughs> ไม่มีใครรู้เรื่องไตรักที่จะเป็นเครื่องมือที่จะมาทำลาย กิเลสตัณหาไม่มีใครรู้พระอริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมากอันนี้เป็นงานของพระพุทธเจ้าล้วนๆพระพุทธเจ้าต้องศึกษาค้นคว้าภายในจิตในใจของพระ อ, องค์เองจนเห็นชัดเจนว่าทุกนี้เกิดจากความอยากและทุกดับได้ก็เพราะเห็นด้วยปัญญาที่เห็นใจรักนี้เองพระพุทธเจ้าก็เลยได้ตระรู้ได้ทําลายความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจ จนหมดไปได้ตอนนั้นทรงก็ไม่ต้องอดอาหารมีมีพลังจิตที่สามารถที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้ไม่มีอุปสรรคไม่มีนิวรณ์อะไรที่มาขัดขวางเหมือนพวกเราที่เริ่มภาวนาในเริ่มต้นนี้เราจะมีนิวรณ์คือความง่วงเหงาหานอนถ้าไม่ง่วงนอนก็ฟุ้งซ่าน เพราะว่าเราไม่รู้จักวิธีควบคุมจิตใจเราไม่มีสติกําลังพอที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่พอเราใช้มาตรการอดอาหารนี่มันจะทําให้ใจของเราไม่ดือ้อเราสั่งให้มันบริกรรมพุทโธพุทโธมันก็จะทําตามแล้วพอทําตามใจก็จะสงบได้สมถะภาวนาขึ้นมา ออกจากความสงบเราก็ใช้แนวของวิปัสสนาภาวนาต่อก็ได้ให้พิจารณาถึงความทุกข์ถ้าตอนที่เราอดอาหารมันคุกมันทุกข์กับเรื่องอดอาหารถ้าเราอยากจะทำให้ไม่หิวกับอาหารอีกต่อไปเราก็ต้องเจริญอาหารเลยปฏิกูลรสัญญาอันนี้เป็นปัญญามาดับความอยากในเรื่องของอาหารคือให้ดูอาหารในสภาพที่มันไม่น่าดู เป็นอาหารที่อยู่ในปากเวลาผสมกับน้ำลายกำลังเคี้ยวบดอย่างอร่อยอยากจะดูว่าหน้าตามันเป็นยังไงก็คลายมันออกมาแล้วก็ตักเข้าไปรับประทานใหม่เราดูสิว่าจะรับประทานลงหรือเปล่าหรือเวลามันเข้าไปในท้องแล้วมันอาเจียนออกมาหรือมันถ่ายมันถ่ายออกมาทางทวารหนักแล้พวกนี้ก็เป็นอาหารทั้งนั้น มันมาจากอาหารที่สวยงามในจานที่อุตส่าห์ประดิบประดาอย่างดีอันนี้ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้เวลาที่เราอดอาหารนี่เราจะไม่หิวกับอาหารอีกต่อไปเราจะไม่มีปัญหาเราจะใช้มาตรการของการอดอาหารนี้ได้ไปตลอดเป็นการเสริมความเพียรของเราแล้วเวลาถ้าเรายัางยังยังตัดอาหารไม่ได้เรายัางต้องรับประทานอาหารเราก็ต้องใช้มาตรการแก้ กิเลสก็คือเราต้องเอาอาหารทั้งหมดที่เราจะรับประทานเข้าไปในท้องนี่มาเทใส่ในภาชนะเดียวกันทั้งของค้าของหวานของเค็มของเปรี้ยวของอะไรใส่กับอะไรที่จะเข้าไปอยู่ในท้องนี่เอามารวมกันในภาชนะแล้วคนมันเข้าไปให้มันเหมือนกับอาหารที่จะไปอยู่ในท้องเพราะเรากินเพื่อเราจะป้อนร่างกายเราจะไม่ป้อนกิเลส ถ้าเราป้อนร่างกายร่างกายก็ไม่ก็ไปปฏิเสธก็เป็นเพียงแต่ที่รับอาหารเท่านั้นเองอาหารใส่เข้าไปในปากมันก็ไหลลงไปในท้องแล้วมันก็จะทำการย่อยเพื่อที่จะได้มีสารอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตต่อไปถ้าเราทำอย่างนี้แล้วต่อไปเรื่องของการรับประทานอาหารก็จะไม่มีเป็นเป็นปัญหาอุปสรรคของพวกเราส่วนหนึ่งก็เรื่องของการรับประทานอาหาร างทีไม่อยากไปอยู่วัดกันก็เพราะว่าอาหารที่วัดมันไม่ค่อยน่ารับประทานคือเราเลือกไม่ได้บางทีก็ดีดีกว่าของที่เรากินที่บ้านก็มีแต่บางทีแต่เราเพียงแต่ว่าเราเลือกไม่ได้เราอยากกินแบบนั้นกินแบบนี้ไม่ได้เราต้องกินแบบตามมีตามเกิดถ้าเราใช้การรับประทานแบบนี้คือคุกอาหารรวมอาหารในภาชนะเดียวต่อไปเราไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้กินที่ไหนก็กินได้ กินเพื่ออยู่กินเพื่อร่างกายไม่ได้กินเพื่อความอยากไม่ได้กินเพื่อความสุขทางใจความสุขทางใจแล้วเอาเอ า, เอาอาหารใจคือความสงบที่ได้จากการภาวนาไม่อย่างั้นเราก็จะหงุดหงิดลำคาญใจวันไหนรับประทานอาหารไม่อ ร, อร่อยก็อารมณ์เสียไม่มีกำลังใจอยากจะภาวนาอยากจะปฏิบัติอยากจะกลับบ้านอย่างเดียว คำถามต่อไปจากคุณชนระดาอินเที่ยงพอดีประสบสภาวะแปลกๆไม่เคยเป็นมาก่อนคือจิตจากที่มีความสุขอยู่ดีๆมันพลิกเป็นทุกข์สาหัสมากมันสลดสังเวชกับโลกกับตัวเองเห็นทุกอย่างมันเป็นกองทุกข์มหาศาลแบบไม่มีที่ให้หยั่งเท้าเลย เห็นคนในโลกเหมือนเป็นคนบ้าตัวเราเองด้วยจิตมันเป็นกลางไม่ไหวค่ะสากตแต่ว่ารู้เอาไม่อยู่ขอคาแนะนำด้วยค่ะแม้แต่ครอบครัวที่เรารักมากยังเห็นเป็นส่วนเกินทั้งหมดจิตมันเลยมีความทุกข์ติดมาตลอดมันเศร้าดูเลยไม่แน่ใจว่าหนูติดความสงบ หรือภาวนาผิดพลาดตรงไหนคะไม่ผิดหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมต่างๆเช่นความสุขที่เราได้รับนี้มันยังไม่เที่ยงมันยังไม่ถาวรมันมีเจริญมีเสื่อมได้พอเวลาเสื่อมเราก็เกิดความทุกข์เพราะอยากจะให้มันไม่เสือ่อมฉะนั้นเราต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังถ้าเราอยากจะให้มัน กลับคืนมาโดยที่เราไม่ได้สร้างเหตุให้มันกลับคืนมามันจะไม่มีวันกลับคืนมาได้แล้วเราก็จะมีแต่ความทุกข์ไปดังนั้นพอมันเสื่อมแล้วเราก็ต้องสร้างมันขึ้นมาใหม่สิ่งที่จะสร้างให้มันกลับคืนขึ้นมาใหม่ก็คือการเจริญสติทําใจให้สงบก่อนกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาตั้งต้นที่สมถะทําใจให้สงบพอใจสงบแล้วก็พิจารณา อ น, นิจจังคือความไม่เที่ยงของความสุขที่เราเคยได้รับพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาเราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นอดีตไปแล้วอย่าไปทวงมันกลับคืนมาแต่เราสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการเจริญสติแล้วก็คอยกำจัดความอยากต่างๆที่จะมาสร้างความทุกข์ใจให้เกิดขึ้นด้วยปัญญา ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากนั้นมันเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่าไปอยากอะไรมันมาแล้วมันผ่านไปก็ให้มันผ่านไปอะไรที่ยังไม่มายังไม่เกิดก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันให้เราอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่วรู้ด้วยสติด้วยปัญญาไม่ให้ยึดไม่ให้ติดกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏมาให้เรารับรู้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหายไป คำถามต่อไปจากคุณเดวิดทอมสันน้ำโอเลี้ยงจัดเป็นน้ำปานะหรือเปล่าครับคือน้ำปานะตามความหมายเดิมนั้นหมายถึงน้ำผลไม้ที่เราคานออกมาจากผลไม้ต่างๆผลไม้ที่จะเอามาทําเป็นน้ำปานะได้ น, นี้ต้องไม่ใหญ่กว่ากำปั้นเช่นส้มนี่ องุ่นอปเปิลพวกนี้ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะนำมาคั้นเป็นน้ำผลไม้ดื่มได้แต่ถ้าเป็นส้มโอเป็นมะละกอเป็นแตงโมเป็นสับปะรดนี่ถือว่าใหญ่ไปเ็า mm. เรียกว่ามาหาผลมาหาผลนี่ท่านห้ามท่านให้เอาแต่ผลลไม้ที่ขนาดประมาณกามือของเราเป็นประมาณแล้วก็ต้องกรอง เอากากออกไปให้หมดเนื้อออกไปให้หมดให้มีแต่น้ำอย่างเดียวนี่ถึงจะเรียกว่าน้ำปานะส่วนน้ำชากาแฟที่เราดื่มกันนี่เราถือว่าเป็นเพสัชคือของบางอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตให้ให้ดื่มได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีเวลาเรียกว่าเพสัชเป็นยายาที่หมอให้มาอย่างเงี้ยยาแก้หวัดยาแก้ไออะไรตา่าง แล้วก็มียาสามัญประจำบ้านที่ชาวบ้านเขาใช้กันว่าเออเอาเอาใบไม้อย่างนี้ไปต้มแล้วดื่มน้ามันเป็นยาเขาก็เอาใบาชามาต้มแล้วก็ดื่มมันาเป็นยาเอากาแฟมาต้มแล้วดื่มน้ามันว่าเป็นยามันก็เลยถือว่าอยู่ในในในเพสัชก็ดื่มได้ตลอดเวลาไม่มีข้อห้ามน้ำตาลก็ใส่ดื่มได้น้ำตาลก็ไม่มีข้อห้าม ดื่มได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นเป็นพระถ้ารับน้ำตาลมาเก็บไว้ได้ไม่เกิน7วันก็ต้องสละไปไม่ให้สะสมถ้าต้องการใหม่ก็ต้องให้ลูกศิษย์ลูกค้าหรือศรัทธาญาติโยมประเคนถวายใหม่แต่ของที่ห้ามไม่ให้ดื่มหลังจากเที่ยงวันไปแล้วที่ถือว่าเป็นอาหารเสริมเช่นนมถั่วเหลืองก็นมถั่วเหลืองก็ห้าม นมนมนมโคนมวัวนมแพะนมแกะนี่ก็ห้ามดื่มไม่ได้เ้ือของอะไรที่มีส่วนผสมของนมก็ดื่มไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณโยธาบรรเลงพินถ้าเรามีลูกภรรยาแล้วในอนาคตเราอยากจะบวชควรทำอย่างไรดีครับก็ทำตามพระพุทธเจ้า พรอตตรชาก็มีลูกมีภรรยาคําถามต่อไปต่อเนื่องจากคําถามเมื่อวานเรื่องพระบวชใหม่ห้ามพ่อแม่ไปหาไปเจอแต่การห้ามเจอของท่านแม้เป็นสิ่งที่ดีกับการปฏิบัติของท่านแต่เป็นการทํำร้ายจิตใจพ่อกับแม่ทําให้เขาทุกข์ใจเพราะเขาห่วงรักและคิดถึงพะเห็นควรไม่ควรอย่างไรคะ การกระทำของเรานี้ไม่ได้เป็นการไปทําลายจิตใจเขาการทําลายจิตใจเขานี้เป็นการกระทําของเขาเองเพราะว่าผู้ที่ทําลายจิตใจเขาไม่ได้อยู่ภายนอกอยู่ภายในใจก็คือความหลงของเขาความอยากของเขาจึงทําให้เขาทุกข์ใจเขาหลงว่าเราเป็นลูกของเขาเขาก็อยากจะให้เราอยู่กับเขาไปตลอด พอเราไม่อยู่กับเขาไปตลอดเขาก็เสีย อ, อกเสียใจแต่ถ้าเขามีปัญญาเขารู้ความจริงว่าลูกเป็นอนิจจังไม่เที่ยงจะไม่ได้อยู่กับตนไปตลอดเพราะไม่ได้เป็นลูกของตนอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายไปเห็งนั้นเวลาเราตายไปก็เป็นการทำลายจิตใจเขาเลยงนั้นเราก็ห้ามตายเลยใช่ไหมถ้าห้ามบวชก็ต้องห้ามตายด้วยเลยมันห้ามได้ที่ไหนของพวกนี้ นั้บางแต่พ่อแม่บางคนกับดีใจลูกไปบวชก็มีอนุโมทนาสาธุน้ําตาไหลก็มีมันไม่ได้อยู่ที่การกระทําการบวชของเรามันอยู่ที่จิตใจของพ่อแม่ว่ามีความหลงมากน้อยเพียงไรถ้ามีความหลงมากก็จะทุกข์มากถ้าไม่มีความหลงกับจะมีความสุขมีปิติอย่างแม่ของน้องตาหบอกดีใจเนี่ย แม้แต่หลวงตาถ้าจะบวชออกมาจากบวชจะสึกแกงก็ไม่ว่าเล <laughs> เพราะฉะนั้นมันไม่ได้อยู่ที่การกระทําของเราอยู่ที่กิเลสตัณหาโมหะของเขาดังหาหมดคำถามจากทางบ้านแล้วค่ะหลวงพ่อมีใครอยากจะถามไหมเข้ามาได้นะไม่ต้องเกรงใจกิเลสกับเรามันคนเดียวกันไมหมคะพระอาจารย์ ตัวกิเลสมันอยู่ในใจของเรามันเกิดจากความหลงความไม่รู้ ข, ของเราเองแต่เราก็อยู่ในใจเหมือนกันทั้งหมดนี้มันก็เป็นเป็นสมมุติเราก็เป็นสมมุติกิเลสก็เป็นสมมุติตัวที่ไม่ใช่สมมุติก็คือตัวใจตัวรู้นี้เท่านั้นตัวรู้นี้เป็นตัวที่รู้เฉยๆแต่มันมี ตัวที่ผลิตอ่ากิเลสขึ้นมาผลิตตัวเราขึ้นมาตัวนี้เราเรียกว่าอาวิชชาความหลงที่ใช้ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาคิดว่าเราเป็นตัวรู้เราก็เกิดความอยากขึ้นมาก็เป็นกิเลสขึ้นมาแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราเข้าถึงตัวรู้ เราก็จะรู้ว่าตัวแท้จริงที่เป็นใจนี้ก็คือตัวรู้เราก็พยายามปฏิบัติเพื่อให้เรากลับไปสู่ตัวรู้นี้คือการจัดตัวที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยความหลงก็คือตัวเราพอมีตัวเราก็จะมีตัวอยากขึ้นมาอยากให้เราดีอยากจะให้เรามีความสุขอยากจะให้เราได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้น ตัวตัวเรากับตัวกิเลสตัณหานี่เป็นเป็นตัวที่ถูกความหลงผลิตขึ้นมาพอเราเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาบําบัดมากําจัดความหลงพอความหลงหมดไปนี่ก็จะเหลือแต่ตัวรู้แล้วถึงแม้ว่าจะมีตัวตัวเราแต่มันก็จะไม่มีความอยากเช่นพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้เข้าถึงตัวรู้นี่แล้วพระองค์ก็ยังมีตัวตนอยู่ แต่เป็นตัวตนที่ไม่ได้ไม่ส่งหลงหลงตามรู้ว่าเป็นตัวตัวตนชั่วข่าวตัวตนที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้นแล้วก็ใช้ตัวตนนี้ในโลกของของของสมมุติในโลกของคนที่ยังมีตัวตนอยู่ไม่ใช่ว่าเราเป็นตัวรู้แล้วเราเจอใครก็บอกอย่ามาเรียกเราเป็นนู่นเป็นนี่นะเราไม่ได้เป็นอะไรทั้งนั้น เขายังมองไม่เห็นตัวแท้จริงของเขาเราพูดอย่างนี้เขาก็จะไม่เข้าใจเองจากเวลาพูดคุยกับเขาเราก็ยังต้องพูดว่าเราตัวเราอย่างนั้นอย่างนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไปติดกับตัวเราเราเพียงแต่รู้ว่ามันเป็นการใช้สื่ออคุยกันเย่างนีน้ได้คุยกันไม่รู้เรื่องตัวนั้นก็ตัวรู้ตัวนี้ก็ตัวรู้มันเป็นเราอยู่ในโลกของสมมุติเรายัางต้องใช้สมมุติอยู่ เพแต่ว่าเราไม่หลงสมมุติเรารู้ทันสมมุติเราไม่ยึดไม่ติดกับสมมุติเราไม่มีความอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับเราดีหรือชั่วเพราะเรารู้ว่าใจของเรานี้รับรู้ได้ทุกอย่างดีก็รับรู้ได้ชั่วก็รับรู้ได้แล้วก็ไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่ได้เร็วลงจากการรับรู้สิ่งที่ดีหรือชั่วที่มาปรากฏให้ใจรับรู้ แต่ถ้ามีตัวตนนี้มันจะเกิดความรู้สึกได้เสียขึ้นมาถ้าใครชมก็รู้สึกว่าได้กำไรดี อ, อกดีใจถ้าใครดา่าก็รู้สึกเสีย อ, อกเสียใจอันนี้เป็นเรื่องของความหลงที่เราพยายามที่จะทำลายกันด้วยการปฏิบัติด้วยการเจริญทานศีลภาวนานี้เองถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วพอจิตเข้าสู่ตัวรู้แล้วเราก็จะเริ่มเห็นเริ่มเข้าใจ จิตจะเข้าสู่ตัวรู้ได้ก็ต้องทําสมาธิทําจิตให้รวมเป็นหนึ่งเรียกว่าเอกขัตารมเหลือแต่สักแต่วรู้ไม่มีอะไรให้รู้นอกตัวที่ผลิตตัวตนนี้หายไปชั่วขา่าวคือสังขารความคิดปรุงแต่งสัญญาความจําได้ไมายรู้มันจะหายไปตอนนั้นไม่มีตัวเราของเราไม่มีกิเลสตัณหาความโลภความอยากมีแต่สักแต่วรู้และความสุขที่ได้จากความสงบนั้นใจก็จะพอ พอใจกับสภาพนั้นจะสามารถอยู่โดยปราศจากตัวตนได้อยู่โดยปราศจากความโลภความอยากต่างๆได้ไม่มีความปรารถนาที่จะให้ตัวตนสูงมีมีลาบมียศมีสรรเสริญ อ, อันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเราทำใจให้รวมได้พอรวมแล้วพอออกจากความความสงบมานี้มันก็จะลืมได้ เราก็ต้องใช้ปัญญามาเสริมความจำพอคอยเตือนว่าเราเป็นแค่ตัวรู้เราควรจะสักแต่ว่ารู้เราไม่ควรที่จะไปยินดียินร้ายกับสิ่งต่างๆไม่ว่าเราจะได้อะไรมามันก็เราความจริงเราไม่ได้หรอกผู้ที่ได้ก็คือร่างกายผู้ที่รับของต่างๆก็คือร่างกายใจก็เป็นเพียงแต่สักขีพยานเป็นผู้รับรู้เท่านั้นว่าวันนี้ร่างกายได้รับของสิ่งนี้มา วันนี้ร่างกายได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาทางนั้นเองแต่ใจนี้ไม่ได้ไปรับอะไรกับร่างกายเรารับประทานอาหารก็ร่างกายเป็นผู้รับประทานอาหารใจไม่ได้รับประทานอาหารด้วยเพียงแต่ใจเป็นสักขีปยานรับรู้เท่านั้นคือสรุปแล้วก็คือใจไม่ได้ไม่เสียกับอะไรทั้งนั้นที่ได้มาผ่านทางร่างกายจึงไม่ ม, ไ ม, ม, มีไม่มีความไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปดีใจเสียใจได้ก็เท่าเดิมเสียก็เท่าเดิม เหมือนคนอื่นเขาได้สมบัติเขาก็ได้เราไม่ได้เราก็เพียงแต่รู้เฉยๆว่าเขาได้เวลาเขาสูญเสียสมบัติไปเราก็ไม่ได้เสียอะไรไปเราก็รู้ว่าเขาเสียไปเท่านั้นเองนั่นละคือมองร่างกายของเราให้เราเหมือนกับมองคนอื่นแล้วเราก็จะได้ไม่หลงดี อ, อกดีใจเสีย อ, อกเสียใจดีใจก็เป็นทุกอย่างเพราะดีใจแล้วก็อยากจะให้ดีใจเรื่อยๆพอไม่ดีใจเรื่อยๆก็ทุกข์แล้ว แลพอเสียใจก็ยิ่งทุกข์ใหญ่นี่ยั่นเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ยืนอยู่ตรงตัวรู้เราไปยืนอยู่ที่ตัวหลงยืนอยู่ที่ตัวตนที่ถูกอวิชชาโมหะผลิตขึ้นมาว่านี่คือเราของเราเป็นเรานี่แหละที่เราต้องใช้อนาตตาไงว่าไม่มีอะไรเป็นเราไม่เป็นของเราเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของดินน้ำลมไฟ ใจเป็นตัวรู้เท่านั้นเป็นธาตุรู้ใจต้องแยกออกจากทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการภาวนาต้องสงบต้องรวมลงถึงจะเห็นตัวรู้ตัวนี้แลวจะสามารถยืนยืนอยู่กับตัวรู้ได้เพราะว่าจุดเป็นจุดยืนที่มีความสุขมากที่สุดนั่นเองถ้าเราสักแต่ว่ารู้ได้นี้เราจะมีความสุขมากไม่วุ่นวายใครจะด่าก็ไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ไม่ได้ดีอกดีใจ แต่ถ้าเราไปยืนอยู่บนตัวตนนี้เวลาใครด่าเราก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีเวลาใครชมก็ตัวลอยขึ้นไปดังนั้นขอให้ภาวนาให้เข้าถึงตัวนี้ให้ได้แล้วจะหายสงสัยเมกรอยากจะถามอะไรอีกไหมขอโอกาสครับหลวงพ่ อ, อขอความรู้ในเรื่องของจิตถ้ารู้กับตัววิญญาณนี่มัน รับบนหรือแตกต่างกันยังไงัญญาณเนี้ยนะคือคําว่าวิญญาณนี่มันมีสองความหมายวิญญาณในขันห้าวิญญาณในขันห้านี้ก็คือตัวที่รับรู้ข้อมูลที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นเวลาตาเห็นรูปก็จะวิญญาณก็จะออกไปรับรู้รูปแล้วส่งไปให้ที่ใจใจก็จะใช้สัญญาสังขารแยกแยะว่าเป็นอะไร รูปที่เห็นนี้เป็นรูปที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเป็นหญิงเป็นชายเป็นเพื่อนหรือเป็นศัตรูนี่เป็นสัญญาแล้วพอรู้ว่าเป็นอะไรสังขารก็จะปรุงขึ้นมาถ้าเป็นเพื่อนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีออกดีใจเกิดสุขเวทนาขึ้นมาถ้าเป็นศัตรูเป็นคู่ปรับนี้ก็จะเกิดความรังเกียจขึ้นมาเกิดความทุกข์ความไม่สบายใจขึ้นมา อันนี้เป็นการทำงานของขันสี่นะครับขันห้าก็ได้ขันห้าก็คือตาตานี่เป็นรูปส่วนของรูปรับรูปรับรับรูปเข้ามาแล้วก็สัญญาก็ไปรับรูปนั้นมาสู่ที้ใจส่งมาให้ที่สัญญาสังขารปรุงแต่งผลิตเวทนาขึ้นมาแล้วก็เกิดตัญหาขึ้นมาต่อไปส่วนวิญญาณอีกอย่างที่เราใช้ก็คือเวลาคนตายไปแล้วจิตที่ออกจากร่างกายนี้เราเรียกว่าวิญญาณ อันนี้เป็นจิตทั้งดวงจิตที่บีทั้งรูปมีเวทนาสัญญาสังขารอยู่ในนั้นด้วยแต่เราเรียกจิตของคนของคนที่ตายไปแล้วว่าวิญญาณวิญญาณได้ไปสู่สุคติแล้วเนี่ยมาพูดโือความหมายก็คือจิตเนี่ยได้ได้ไปอยู่สุคติแล้วไปเป็นเทวดาเป็นพรหมแล้วไปนิพพานแล้วความหมายเป็นแค่นั้น ถ้างั้นหมายถึงว่าวิ ญ, ญญาณตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นวิญญาณที่เป็นของร่างกายหรือของโลกแต่ว่าส่วนาธาตุรู้เนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ที่แยกออกมาแล้วก็แล้วก็เหมือนกับว่าเห็นมันอีกในลักษณะหนึ่งอย่างนั้นใช่ไหมครับค <c ười> ือธาตุรูมมมม้มีมีมีนามขันทั้งสี่อยู่ด้วยไงนามขันก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่จะทําหน้าที่ส่งข้อมูลให้กับใจอีกทีหนึ่ง เวลาคนเราเลาร่างกายเราตายไปนี้ตายไปส่วนเดียวขันสีไม่ได้ตายไปด้วยตายแต่รูปประขันนะรูปประขันนี้ก็สลายกลายเป็นดินน้ำลงฝฟายไปส่วนขันสีก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ขันสีนี้ก็คือพวกเทเวดาที่ก็ใช้ขันสีนี้ผลิตสวรรค์ขึ้นมาเหมือนกับเวลาที่เรานอนหลับนะเวลานอนหลับร่างกายเราก็เหมือนตายไปไม่ได้ทำงานแต่ใจของเรายังฝันได้ ยังผลิตใช้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ผลิตภาพที่เราเคยได้ไปสัมผัสรับรู้มาตอนที่เราตื่นเช่นเราไปทำบุญไปทำอะไรไปเที่ยวที่นั่นที่ดีขึ้นมาเวลานอนหลับไปใจมันก็เอาภาพเก่าๆนี้มาปรุงแต่งใหม่มาสร้างใหม่ขึ้นมาถ้าเราทำบุญทำความดีมันก็จะผลิตความฝันที่ดีผลิตสวรรค์ขึ้นมาถ้าเราไปทาบาปทากรรมมันก็จะผลิต ความทุกข์ความวุ่นวายใจยขึ้นมาอาจจะฝันร้ายมีคนมาคอยฆ่ามาคนมากั่นแกล้งมาทรมานเราด้วยวิธีการต่างๆอันนี้มันก็เกิดจากประสบการณ์ของเราในขณะที่เราเราเราเราไม่ได้นอนหลับเราไปทำบาปทารุณกรรมคนอื่นสภาพนั้นมันก็จะมาปรากฏในในใจของเราทันทีแล้วแทนที่เราจะไปทำทาเขาเขากลับเขามาทำเราแทน ดังนัพระเจ้าึงบอกว่าให้ทําดีให้คิดดีพูดดีให้มีความเมตตาแล้วเวลานอนหลับจะฝันดีจะไม่ฝันร้ายีคมเป็นการไปทำงานของขันของนามขันโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับร่างกายเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์บอกว่าเ อ, อสมาธิที่เข้าไปถึงจุดที่ที่ไปถึงอนเอกาตานี่ยอ อ, อยากเรียนถามว่าถ้าถ้าเรายังไม่ถึงในจุดนั้นที่เหมือนกับว่าอุเบกขาได้อะไรอย่างนี้ ในในในใ น, ในกิจว่าประจำวันที่เราจะต้องเจอคุยง่ายว่าจะเอ า, เอาชนะกิเลสต่างๆได้อย่างเช่นเรื่องการการกินอยู่ปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยครับหรือการจะควบคุมอารมณ์เนี่ยเราจะมีวิธียังไงเช่นอาจจะใช้วิธีการกดข่มหรือบังคับหรืออะไรอย่างเงี้ยกับการที่จะต้องเป็นใช้ถึงตอนที่ต้องอาจจะต้องใช้ปัญญาหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเรายังไม่มีอะไรนอกจากการกดข่มล้วก็ต้องใช้อย่างนั้นไปก่อนเช่นเรากําหนดมาตรการที่เราจะ อดำเนินตามเช่นวันหนึ่งจะจะทำอะไรบ้างก็ต้องทำตามให้ได้เช่นเราจะไม่ดูหนังไม่ฟังเพลงเงี้ยไม่เดินสุราไม่สูบบุหรี่เราก็ต้องใช้ใช้ใช้กำลังขันติข่มไปก่อนจนกว่าเราจะภาวนาแล้วได้ความสุขภายในใจแล้วมันก็จะเลิกไปเองไม่ต้องข่ม ตอนนี้เรา ย, ยังไม่มีความสุขภายในใจเราเลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกคนที่สูบบุหรี่กินเหล้าหรือทําอะไรต่างๆอันนี้เพราะเขาไม่มีความสุขในใจเขาเขาก็เลยต้องกับออกไปหาความสุขที่ไม่ใช่เป็นความสุขที่เป็นความถุกแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกแต่ถ้าเขามาภาวนาได้มามาทําใจให้สงบได้ความสุขที่เขาเคยพึ่งเหล่านั้นเขาก็จะเลิกไปเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้สุขจริง สุขที่มีทุกข์ตามมาและเป็นเป็นโทษต่อร่างกายด้วยเห็นถ้าเรายังไม่สามารถพบกับความสุขภายในใจได้แต่เรามีความเชื่อว่าการกระทาต่างๆในโลกนี้มันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขก็พยายามทำให้มันน้อยที่สุดลดหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้วไก่ให้มันน้อยที่สุดมีเวลาว่างก็หนี ไปอยู่ในป่าในเขาไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาไปอยู่จกนกระทั่งทนไม่ไหวแล้วค่อยออกมาสักพักหนึ่งพอออกมาปั๊บแล้วกกลับไปใหม่ใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วก็พยายามจะรอนสติปฏิบัติสมาธิให้จิตมันรวมให้ได้พอจิตรวมได้ที่มันไม่อยากจะออกมาแล้วเพราะมันได้เจอความสุขที่ดีกว่าแล้วก็ลองต้องใช้ศีลก่อนง จีนนี้ก็เป็นมาตรการที่จะคอยกั้นไม่ให้เราไปหาความสุขที่เป็นความทุกข์มากเกินไปเช่นหาเงินก็ให้หาเงินด้วยวิธีที่ถูกศีลถูกธรรมถ้าไม่มีศีลมีธรรมนี่มันจะหาง่ายและหาได้มากกว่าการหาโดยที่ไม่้การหาที่ถูกศีลถูกธรรมแต่เราไม่ต้องการเงินทองมากมายขนาดนั้นเราต้องการเพียง เงินทองพอมาอย่างชีพเท่านั้นเราก็สามารถรักษาศีลด้ควบคุมกิเลสตัณหาของเราได้ในระดับของศีลแล้วก็จะทําให้การภาวนาของเราง่ายขึ้นเพราะกิเลสตัณหาที่จะมาคอยต่อต้านมันจะน้อยลงไปถ้าหนึ่งต้องสอนว่าต้องทําทานก่อนทําทานก็เป็นการตัดกิเลสตัณหาไปในระดับหนึ่งทําให้รักษาศีลด้ง่ายขึ้น พอรักษาศีลได้มันก็ตัดกิเลสตัณหาไปได้อีกระดับหนึ่งทำให้ไปภาวนาได้ง่ายขึ้ น, นก็ลองทาตามขั้นไปขอพขบพระคุณครับผมคิดว่าไม่มีใครอยากจะถามอีกแล้วนะก็พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิตพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ แร้วมาขายก็ยังม like ีอยู่เพงแต่ว่ามันไม่ไปทำทางทางเฉลยางมันไม่ไปคิดถึงของสวยๆออกมาของอร่อยๆเพราะมันคิดแากทางไม่คุ้มคาทางอะไรก็ทังมันมันเบรยที่สสายเดินได้มันไม่ไหลไปทานั้นมันจะไหลไปทางธรรถ้ามันจะคิดมัจะคิดแบคุาิดแต่หาอะไปฏิบูรและขันยาที่แสทุกเต็นอะก็ทุกไปหมดมันก็เลยไม่อยากเลยนะอยากมีอะไ เข้านิพพานไปแล้วแม่แม่ก็ยังใช้อไรอย่ังอยูอาการแ้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะนไม่มีเหตุแน่มันใช่เลมันไม่มันไม่มันไม่ไม่มีข้อมูลมัไม่มันไม่มีตาหูจมูกนิ้วไกมากระตุ้นให้มันคิดดูนอกจากว่าจิตของท่านจะปรุงแต่งออกไปเองเขียนไปส่งกระแสจิตไปหาคนนัคนนี้อาจจะห่วงกันมีความถูกันมีความเมตตา แต่จะต้องใช้นำมาตัวรู้มันทำอะไรไม่ได้เพราะนำดที่อยู่กัตวนดเป็นกาวนี้เป็ของสิ่งเป็นการตี้เป็นจิิท่านเดินท่านกินอะไรท่ามันก็ไม่เป็นกินสูตรนึงก็ไม่เป็นกินไม่สูตรเรียกทางยมีสูตก็สูตไม่มีสูตก็ไม่สู่านี้ทุกวันี้ทำเครื่องร่างกายเยอฮะ ไม่ได้ทำทั้งวันไม่ได้ถั้งวไม่ใช่ไม่ถูกฟังวันนี้เราทำเพื่อร่างกายได้ที่เนาะท่เราะวันนี้ทำเพื่อร่างกายกับทันหาความอย่าแต่ที่ว่าเหรียมันเอาร่างกายตัว ต้อมีร่างกายแข็งแรงถึงจะหาความสุ ข, ขาจางกายควมเป็นอย่างกายไนดะ้ร่างกายเป็นเครื่องมือก็เลยต้องรักษาเครื่องมือนี้ให้ดีเหงือนรถเราอยากไปไหนมาไหนก็ต้องรดก็ต้องพร้อมกะอะรก็เสียบบ่อยๆมันก็ไปไม่ได้ถ้าร่างกายเราไม่พร้อมจะไปคืนนี้ไปงานเลี้ยงก็ไปไม่ได้ก็ต้องดูร่างกายก่อนถ่าร่างกายพร้อมนะคืนนี้ก็ จะดูเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายตางอยากจะดูอะไรก็หามาดูอยากจะฟังอะไรก็หามาสงแต่มันไม่เอียงไม่พอมันยาสเสร็จแล้วพอมันไม่สามารถหาได้มันก็ทุกข์พอเรามาทุกข์ตอนตอนนั้นจะเห็นทุกข์ตอนนั้นมันก็สายไปที่ี่ตาบอกหลเนี่ยท่านก็ปล่อยให้ไปเลื่องขงขัังมันจะอยากกินอะไรก็ปล่อยมันไป ถ้ามันมีร่างกายบางทีมันสัมผัสกับอาหารชนิดนี้มันเจอบ่อยๆมันก็เบื่อมันก็มีอย่างอื่นมันก็กินอย่างอื่นแต่แต่มันไม่ไปมันไม่ไปสรรหามันไม่ไปขวนขวายเอามาตามมีตามเกิดถ้ามันมากินอย่างนี้ซ้ำซากมันก็กินได้เพราะมันไม่ได้กินเพื่อใจมันกินเพื่อร่างกายเหตุใดใจบางทีมันมีมันสวนนับรู้นับรู้ให้เบื่อไงอย่างนี้จำเจซ้ำซากนี่อันนั้นมันคือใจอ่ใจ เพราะรังการมันกินได้ทุกอย่างมันซ้ำซากลมหายใจมันหายมาตลอดเวลาถ้ามันไม่มีทีเด็แล้วไม่มีอมอยากแล้วตรงไหนที่ถึงต้ อ, อมันยังมีนิสัยเดิมอยู่มีสัญญาเดิมอยู่มีอะไร เ, เดิมให้มัมเป็นขันไงมันไม่ได้เป็นแต่ไม่มีความโลภความอยากในจิตที่าะถ้ามีอย่างนี้ก็กินอย่างนี้จะไม่ไปเอ่ยปากบอกให้หายอย่างอย่างนี้มาให้กินให้นีถ้ามึ ง, งโง่ยากกูกิกนซ้ำซา่านีก่กูจะกินซ้า<ฟะ> ไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามีเปลียนก็เปลี่ยนไม่ทุกอ่าไม่ทุกกต่มันไม่อยากไม่มีสูตก็ไม่สูตอย่างคูนี้ถ้าไม่มีคูดีท่านก็จะไม่ไปขอใครมาสูตแต่มีคนถวายท่านนั่นก็สูตรนั้นต่ามันเป็นขันมันไม่ได้เป็นใจเหมือนเนี่ยข้าขันข้านี่สายนั้นม่อยู่ในจิต มันก็อยู่ในขันห้ายแต่นิสัยที่ที่เราทำลายได้ก็คือนิสัยที่อยู่ในใจโลกโกรธหนุ่มนิสไม่ด้อยู่ในจิตามาันไม่อยู่ในแผนเนือกพพุทธเจาท่านั้นที่สามารถทลายนิสัยเก่าได้ร่ <c oughs> างได้หมดสัญญาเก่าร่างได้หมดมแต่พวเราไม่จำเป็นจะต้องทำถึงระดับนั้นเราล่างแค่สัญญานิสัยที่ไม่ดีก็พอ ล้างแ่กอนแต่ตอนนี่เป็นพระเจ้าไม่รู้จะล้างตรงไหนก็ล้างมันหมดเลยพระเจ้าบอกมใช่รบอกเลยเพราะท่านมาอง์แรกกรับยาอ่าฮวันที่ใหม่นีขขจนนะ้จะทำการจับกันเลยนะจากการกับยเร่งจ้าม